มนีจักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแกนการปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในคำถามของท่านนันตมานพนจะกราบทูลถามถึงบุคคลว่าเป็นมุนีด้วยคุณธรรมอะไรบ้างบุคคลเป็นมมนีด้วยทิฏฐิด้วยสุตตะหรือว่าด้วยญาณ พระบุมีพระาพาคเจ้าได้ทรงตอบคำถามของท่านมานุษย์โดยประยายหนึ่งคือนะยะหนึ่งพระองค์ไม่กล่าวว่าบุคคลเป็นมุนีเพียงเพราะความเห็นการศึกษาการสดับสับฟฝันพยานเท่านั้นแล้วบุคคลใดก็ตามที่ทำลายเศษนามาันให้หมดสิ้นไปเป็นผู้ไม่มีความหวังเที่ยวไป บุคคลนั้นชื่อว่าเป็นมุนีคําว่ามุนีในพระพุทธดํารัตนี้จึงเป็นการแสดงโดยนัยะหนึ่งซึ่งบุคคลที่ประกอบด้วยความเห็นชอบด้วยการศึกษาสดับาศึังและแม้แต่ด้วยญาณระดับใดระดับหนึ่งก็ได้ชื่อว่าเป็นมุนีเหมือนกันแต่พระพุทธองค์ทรงสแสดงความเป็นมุนีในชั้นที่สมบูรณ์ จึงไปเพิ่มการทำลายกิเลสมารทำลายเสษนามานว่าเป็นคุณธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ชื่อว่าเป็นมุนีคือผู้รู้ที่แท้จริงคำประมาณนั้นแปลว่าผู้หักรานผู้ทำลายล้างผู้ขัดขวางหรือผู้ฆ่าผู้ตัดให้บุคคลประสบความดีความสุขความเจริญ เมื่อมองจากจุดนี้สิ่งที่เรียกว่ามันจึงมีอยู่เป็นอันมากที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เองก็มีถึงห้าประเภทด้วยกันประเภทแรกคือขันธมันมันคือเป็นเจ้ขันธ์ในแก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มีความวิปริตแปรปรวนไปสร้างความทุกข์ความทรมานความเจ็บปวดได้เกิขึ้นแก่บุคคล รู้การที่จิตของบุคคลระยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเหล่านั้นว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราแล้วประสบความทุกข์เพราะความทรุดทุกขจากคนหรือสิ่งอันเป็นที่ดักประสบความทุกข์เพราะการต้องเกี่ยวข้องอยู่ร่วมกับบุคคลหรือสิ่งที่ตนไม่ชอบและความทุกข์ซึ่ง ปรากฏขึ้นในลักษณะอื่นๆทั้งหมดนั้นเป็นอาการของมานแห่งขันทั้ง5ประการประการที่2คือกิเลสสมานซึ่งมีต้นข้าวมาจากอาวิชชาเกิดความไม่รู้แต่กิ่งออกไปเป็นความโลภความโกรธความหลงซึ่งถือว่าเป็นอกุศนมุนคือเป็นรากง่าวของอกุศลและแต่ละกลิ่งนั้นก็จะแตกสาขาออกไปอีกเป็นนันมาก ในรูปตภาสิทธินี้พระพุทธเจ้าทรงเน้นกิเลสมันที่ย่อนไปกว่าความโลภความโกรธความหลงคือมีความรุนแรงน้อยกว่าว่าเป็นมาราเสนาหรือเสนาของมันวารประการที่สามได้แก่อภิสังขารมันโดยทั่วไปก็หมายถึงบาปที่นำผล คือความทุกข์ความเดือดร้อนในฐานะ น, นั้นมาสู่บุคคลแต่โดยคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปแม่แต่บุญซึ่งตกแต่งวกชาติให้ประนีตก็เป็นมานสาหรับท่านที่ต้องการบรรลุมรคลเบื้องสูงและในชั้นของพระยะบุคคลชั้นสูงสุดแม่แต่การสยบติดความกำหนัดเพลิดเพลินอยู่ในอรูปประชานก็ยังชื่อว่าเป็นมานในระดับนั้น ประการที่สีเรียกว่ามัจจุมานคือความตายที่มาตัดรอนชีวิตผิดกั้นโอกาสที่จะกระทำความดีของบุคคลหรือความตายในคราวที่ยังไม่ควรจะตายก็ได้ชื่อว่าเป็นมานแล้ข้อที่5เรียกว่าเทพบุตรมานในแก่เทพบุตรเทปติดาที่เป็นพานคอยขัดขวางตัดรอนความดีของบุคคลอื่นหรือแม้แต่บุคคลทั้งหลายที่ประทุษร้ายทำอันตรายแก่บุคคลเหล่าอื่น ไปชื่อว่าเป็นมารในฐานะนี้กิเลสมารที่ทรงแสดงว่าเป็นเสนาของมารด้วย ล, ลูกน้องของมารบริวารของมาร น, นั้นได้ทรงแสดงเป็นคู่คู่ไปที่รู้เจาทรงแสดงเองแสดงไว้เพียง8 8ข้อด้วยกันแต่ปราฏกหาอาจารย์เองท่านมองจากความหมายของมารที่จะกล่าวมาในตอนต้น ท่านจึงสรุปพฤติกรรมทั้งมวลที่เป็นไปเพื่อความทุกข์ความเดือดร้อนแก่บุคคลนั้นๆว่าเป็นมารทั้งหมดแม้กายยทุจริตประจีทุจริตก็ชื่อว่าเป็นมารเพราะล้างผลาญความดีของบุคคลตามบุคคลให้ประสบความทุกข์แล้วความคิดที่จัดเป็นมโนทุจริตก็ชื่อว่าเป็นมารเพราะถูกปรุงแต่งโดยอำนาจของกิเลส ที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์เช่นเดียวกันแต่ที่ทรงแสดงนั้นทรงใช้คําว่าการเป็นเสนามานที่หนึ่งของท่านคำอาการนั้นกามนั้นท่านจะแนกแสดงออกไปเป็นสองข่ายในข่ายที่ถือว่าสําคัญจริงๆก็คือขายของกิเลสกรมได้แก่อาการของจิตที่เกิดความกําหนัดรักใครยินดีชอบใจเพลิดเพลิน เ, เริงลง อยู่ในอารมณ์ต่างๆกิเลสประเภทนี้อันที่จริงก็คือกิเลสสายโลภะถ้าเรามองไปในสายตัณหาก็คือการมาตัณหาภวะตัณหาหรือจะมองไปในสายของมาสติปฐานที่พูดกันมาในตอนตอน้ตนๆก็คือพวกของอภิชาที่แปลว่าความเพ่งเล็งโลภจากได้โดยแม่สม่ำเสมออยากได้นี้อยากได้นั่นอยากได้น้นเรื่อยไป แต่เนื่องจากอาการของความโลภปรากฏในรูปแบบที่แตกต่างกันหนักบ้างเบาบ้างและทําปฏิกิริยาต่อจิตในรูปลักษณะที่ไม่เหมือนกันจึงทรงมีชื่อกําหนดเรียกปัญญัติเรียกอาการของกิเลสเหล่านั้นไว้ในลักษณะต่างๆอย่างในกรณีของกรรมก็เน้นไปถึงกิเลสประเภทที่อ่อนลงมา บางครั้งก็มีความรุนแรงน้อยแต่เป็นเรื่องของความสบายความสะดวกความเพลิดเพลินหรือความสนุกสนานต่างๆฉันดูแล้วก็ไม่ค่อยจะรุนแรงอะไรเท่าไหร่สําหรับสาวมณฑชชนแ้่ก็กลายเป็นอุปสรรคสําคัญในการปฏิบัติทำจิตใจของตนให้สงบจากระดับของสมถะ ก, กรรมฐานเป็นต้นไปเพราะการเหล่านั้นทําใจให้สายไป อารมณ์ต่า ง, า ง, างการปฏิบัติกรรมฐานมุ่งความสงบของใจแต่เมื่อใจถูกบงังคับไปสายไปด้วยอำนาจของกิเลสการผลที่บุคคลจมหนงหวังจะพึงได้จากการปฏิบัติสมถกรรมฐานก็เกิดขึ้นไม่ได้ตานั้นจึงกลายเป็นเสนามันที่คอยล้างผลานคอยทำลายความสงบใจของบุคคลการประการที่สองนั้นคือวัตถุกรม ใดแก่วัตถุหรือสิ่งหรือพัสดุที่ใจของบุคคลไปกําหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจซึ่งพระบูมีพระพักเจ้าทรงสรุปรวมเป็นอาณตนัภายนอกได้แก่รูปได้แก่สิ่งที่เป็นรูปคือเห็นด้วยตาเป็นเสียงที่ได้ยินด้วยหูเป็นกลิ่นที่สูดดมรู้ด้วยจมูกเป็นรสที่รู้ด้วยลิ้นเป็นยินร้อนอ่อนแข็งดึกเหนียว ที่บุคคลรู้ด้วยกายทั้งหาประการนั้นถือว่าเป็นกินเลสกรรับเป็นวัตถุกรรมถ้าถามว่าเป็นวัตถุกรรมของใครก็ตอบว่าเป็นวัตถุก ร, รมของบุคคลที่ยังมีใจประกอบด้วยกิเลสกรรับทนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ า, าบุคคลกําหนดพิพนิจพิจารณาดูภายในใจข้างตนจะพบว่า อารมณ์อย่างเดียวกันเช่นรูปเป็นต้นนั้นบุคคลที่เห็นรูปมีพื้นฐานทางใจในการกําหนดรูปแตกต่างกันจะมีความรู้สึกต่อรูปนั้นไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเกิดกําหนัดรักใคร่ ย, ยินดีพอใจในรูปนั้นซึ่งก็หมายความว่าภายในใจของเขาได้เก็บความรักใคร่ ย, ยินดีพอใจกําหนัดในรูปเหล่านั้นอยู่บางคนไม่เคยพบเห็นพบ ไม่เคยเพบเห็นรูปนั้นมาก่อนกว่าจะรู้สึกสนเท่เชงนเกิดความเครีอดแรงสงสัยไม่แน่ใจแต่าบางคนอาจจะเคยกาหนดรูปนั้นในฐานะที่เป็นศัตรูนฐานะที่ตนไม่พอใจกว่าจะมีความรู้สึกที่เป็นกิเลสอีกสายหนึ่งคือสายโธสระก็ได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายตาของท่านที่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานมาจนเข้าถึงจุดของจิตวิสุทธิ์และทิฏฐิวิสุทธิ์คือความบริสุทธิ์หมดจดในด้านความเห็นก็จะมองเห็นรูปนั้นซึ่งปรากฏในลักษณะนั้นจะปรากฏในลักษณะอย่างไรก็ตามแต่ท่านจะมองเห็นว่ารูปนั้นเป็นของไม่เที่ยง มีความเปลี่ยนแปลงมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาถ้าอยู่ในวัยเด็กท่านก็มองเห็นถึงวัยแก่ถ้าอยู่ในวัยแก่ก็มองเห็นว่าใกล้จุดแตกตับเข้าไปอยู่ในวัยกลางก็จะมองเห็นว่ารูปหล่านั้นก็ลังตั้งอยู่และจะเปลี่ยนแปลงไปก็มองเป็นกระบวนการเกิดการดับของรูปหลอานั้น แต่ท่านสามารถกระจายความคิดออกไปทั้งรูปในอดีตอนาคตปัจจุบันอย่าละเอียดเป็นต้นก็เป็นเพียงแต่รูปเท่านั้นความกำหนัดก็ดีความขัดเคืองก็ดีความรุ่มหลงก็ดีไม่ได้เกิดขึ้นภายในจิตใจท่านเพรวัตถุกรรมเหล่านี้จึงเป็นการมสาหรับบุคคลที่มีกิเลสเท่านั้นจะไม่เป็นกรรมของบุคคลโดยทั่วไปข้อนี้ในชั้นหนึ่งบุคคลสามารถเทียบเคียง ถึงวัตถุ ก, กรรมบางชนิดเช่นตุ๊กตารถน้อยๆเรือน้อยๆเครื่องเล่นต่างๆที่มีการโฆษณากันแต่เป็นวัตถุกรรมสาหรับเด็กๆเล็กๆท่นนั่นเองแต่ก็ไม่เป็นวัตถุกรรมสาหรับผู้ใหญ่แลอกิจกรรมบางอย่างซึ่งมีความละเมียดระมามีความละเอียดที่วิจิตศิลป์ประนีตศิล หลอถึองโบราณวัตถุต่างๆเป็นวัตถุกรรมสําหรับคนที่เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นเท่านั้นแต่จะไม่เป็นวัตถุกรรมของคนอีกเป็นนั้นมากแต่นั้นสิ่งเหล่านี้ในแง่ของธรรมะท่านจึงถือว่าเป็นอัปปยากฤตคือกลางกลางแกเป็นยังไงแกก็เป็นอย่างนั้นจะเป็นโดยสภาพของแก่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป เป็นปกติธรรมชาติธรรมดาอย่างนั้นแล้วก็หมุนวนกลับมาอีกจะเกิดขึ้นอีกตั้งอยู่อีกดับไปอีกเปลี่ยนแปลงกันไปไม่มีที่สิ้นสุดเป็นอย่างนี้มาแล้วในอดีแตแจะเป็นชิ้นนี้อยู่ในปัจจุบันและจะเป็นเช่นนั้นแม้ในอนาคตดังนั้นการเกิดขึ้นของกิเลสการมจึงเกิดขึ้นจากความดํำริกหรือความเหนียวนึกของบุคคล พจะพูดว่าความปรุงคิดความคิดปรุงกำหนดขึ้นเป็นความสวยงามเป็นความไพเราะเป็นความอร่อยเป็นสิ่งที่น่าจับน่าจ้องในใจของบุคคลก็จะเกิดความกำหนัดรักใคร่ยินดีในสิ่งเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเองก็เคยประสบกับความสับสนทางอารมณ์ในเรื่องเหล่านี้มาแล้ว ได้ไปจนได้ต่อสู้กับความรู้สึกที่บังเกิดขึ้นภายในใจมาเป็นเวลานานแต่หลังจากตัดสูส้แล้วก็ทรงมองเห็นกระบวนการของกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกิเลสกรรมได้ทรงเปล่งสิ่งที่เราเรียกว่าพุทธอุทานมาดูก่อนกรมวันนี้เราเห็นเจ้าแล้วเจ้าเกิดจากความดําฤินี่เอง ต่อไปนี้เราจักไม่ดำริถึงเจ้าอีกต่อไปแล้วซึ่งก็หมายความว่าจากบัตรนั้นเป็นต้นมาแม้จะมีรูปเสียงดินรดผลตภะที่ประณีตอย่างไรก็ตามแต่จะไม่เข้าไปสู่จิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระพุทธเจ้ามีลักษณะเหมือนใบบัวแม้หยดน้ำจะตกไปก็ไม่อาจที่จะซึมซับเข้าไปภายในได้ จะเหมือนเมล็ดผักกาดที่บุคคลวางไว้บนปลายเหล็กแหลมไม่อาจที่จะตั้งอยู่ได้พระทัยของพระองค์จึงไม่มีความยินดีความยินร้ายมีลักษณะเหมือนภูเขามีลักษณะเหมือนแผ่นดินมีลักษณะเหมือนน้ําเหมือนลมที่ไม่ยินดียินร้ายต่อสิ่งทั้งหลายจึงเกี่ยวข้องอยู่กับตนแต่พระใจของบุคคลใดก็ตาม ที่ยังมีความกำหนัดรักใคร่ยินดีในอารมณ์ทั้งหลายอยู่การกำหนดอารมณ์ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเป็นการล้างผลาญเป็นการเบียดเบียนสร้างความกระสรับกระส่ายความเร่าร้อนในเกิดขึ้นภายในจิตก็ต้องมีอยู่ตับนั้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าเสนาแมนาเหล่านี้คอยกุามจิตใจของบุคคลอยู่เสมอ พยายามที่เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสที่น่าใคร่นับราษฎราน่าพอใจหรือบางครั้งบางคราวแกกินลึกอยู่ในภายในแม่สิ่งเหล่านั้นจะไม่ผ่านมาทางประสาททั้งห้าคือไม่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่บุคคลก็เอาสิ่งที่เก็บไว้ภายในใจมาเหนียวนึกมาตรึกนึกมาปรุงคิดมาคิดปรุงมาปรุงแต่งเรื่มนาจความกำหนัดรกคายินดี กิเลสก ร, รมก็เกิดขึ้นวัตถุกรรมเหล่านั้นก็กลายเป็นเรื่องน่าใคร่น่าพอใจสำหรับบุคคลเหล่านั้นดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้บ้างความดําริด้วยอาํานาจความใคร่เป็นกลามของคนวัตถุเหล่านั้นก็อยู่ข้งไกลเฉยแต่ใจไปไม่คิดด้วยอาํานาจความใคร่มันก็แกเป็นอย่างที่เกเป็นก็อยู่อย่างที่เกอยู่ ไม่มีความเปลี่ยนแปลงไม่ไม่ไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลได้ประการต่อไปนั้นส่งแสดงว่าความยินดีเป็นเสนามานของท่านความยินดีที่จริงก็เป็นอาการของใจที่ประกอบด้วยกิเลสกามนั่นเอง แต่ก็แนบติดอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นเช่นยินดีในรูปก็เพลิดเพลินด้วยการดูรูปศาสใดที่ใจยังมองไปในแนวข้างความยินดีศาสนั้นก็จะเข้าคันลองของตันหาซื้อขอดูขอมีขอบเป็นไปเจ็ดจิตก็จะแล่นไปในอารมณ์เหล่านั้นด้วยไปพยายามใดก็ตามที่ ปัญญาเกิดขึ้นสอดแทรกทำกลางความยินดีในรูปเป็นตัวเหล่านั้นก็จะเริ่มดึงกายดึงจิตออกแก่สิ่งเดียดนั้นวันนี้ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะก็จะเห็นแนวความคิดของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะที่ใช้ชีวิตในใบหนุ่มของตอนไปด้วยความกำหนัดเพลิดเพลินจากการดูละครที่มีการเล่นมีการแสดงบนภูขา ทุกวันเต็มไปด้วยความสนุกสนานมีการให้รางวัลมีการวัวร่อมีการตบมือแสดงอาการเพลิดเพลินยินดีในเรื่องเหล่านั้นนี่แสดงเห็นว่าจิตก็แล่นไปสู่กระแสของความยินดีแล้วก็ดึงจิตดึงกายออกไปทุกวันแต่พอถึงวันหนึ่งความคิดได้เกิดผุดขึ้นภายในใจของท่าน เป็นลนักษณะเหมือนกับภูเขาก้อนใหญ่ที่กลิ้งลงมาปิดกระแสน้ำก็หาเเศทิศทางของน้ำให้เปลี่ยนทิศทางไปตั้งเกิดแนวความคิดมาว่าการมาดูสนุกสนานเพลิดเพลินเช่นนี้จะได้ประโยชน์อะไรเราก็จริงแล้วทั้งผู้สดแสดงและผู้ดูนั้นจะมีอายุอยู่เพียงไม่เกินร้อยปีในที่สุดก็ต้องตายไป อสสาระประโยชน์แกนสารอะไรไม่ได้เพราความคิดปิดกัน้นกั้นกระแสะความยินดีมันเกิดขึ้นภายในจิตความยินดีก็หยุดก็เป็นการดูอีกลักษณะหนึ่งดูด้วยความสลดดรดขู่ใจด้วยความสังเวชใจสงสารผู้แสดงและสงสารตัวเองที่มาพราดาลานเวลาให้หมดเปลืองไปโดยไม่ได้ประโยชน์อะไร และในที่สุดถ้าก็ออกบทออกบทด้วยความคิดเหล่า น, นี้ความคิดเหล่านั้นก็แทรกซ้อนขึ้นมาท่ามกลางความกำหนัดเพริเพลินยินดีนั่นเองดังนั้นความกันหนัดเพริเพลินยินดีจึงได้ชื่อว่าเป็นเสนามานอีกชนิดหนึ่งซึ่งบังคับใจให้เล่นไปในอารมณ์ต่าง ถ้ามองดูในแนวของพฤติกรรมคือการความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวที่แสดงออกมาทางกายบ้างทางวจาบ้างบุคคลจะเห็นว่ากิเลสประเภทเหล่านี้จะมีการผลักดันมีการจุดร่าบุคคลไปสู่อำนาจของเขาเช่นมีความยินดีมีความชอบใจในการดูในการฟังในที่ใดที่หนึ่ง ก็จะผลักดันให้มีความเคลื่อนไหวทางกายเพื่อ น, นาตนไปสู่สถานที่นั้นและเมื่อการกำหนดว่าสิ่งนั้นสวยงามน่าคลายน่าพอใจก็จะมีความเพลินมีความเพลิดเพลินจนผ่าน <c oughs> ผ่านวันเวลาไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้นึกเลยว่าเวลาได้ผ่านไปมากแล้วนั้นเวลาสำหรับผู้ที่เพลิดเพลิน จึงเป็นเวลาที่รวดเร็วผ่านไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็กินเวลาไปหลายชั่วโมงแล้วลักษณะความกำหนัดยินดีเหล่านี้จะมีอยู่ในใจของบุคคลทั้งหลายแม้แต่พระพุทธเจ้าในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้สัต ร, รุได้ถือกำเนิดเป็นนกไปมีความเพลิดเพลินยินดีอยู่ในกบวัว ในดอกบัวจะลืมวันเวลาที่ดอกบัวจะปุกและในที่สุดดอกบัวขนาดใหญ่ก็หุกกรีบตัวเองก็ติดอยู่ในสถานที่นั้นซึงเป็นการแสดงเห็นว่าความกําหนัดความเพลิดเพลินความยินดีจะก่อให้เกิดความหมุนวนทางใจมีความกําหนัดมีความสยบติด อยู่ในอารมณ์นั้นๆบางครั้งบางคราวแม้อันตรายเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็มองไม่เห็นเพระจใจถูกบีบให้ล่นไปสู่อำนาจของอารมณ์ที่ใจยินดีที่ใจรักใคร่กำหนัดเพลิดเพลินนั้นกิเลสเหล่านี้จึงกลายเป็นเรื่องก <c oughs> องเสนามานครึ่งซึ่งกหมายความว่าเป็นอาการของความโลภนั่นเอง แต่เป็นความโลภที่หย่อนลงมาถ้ามองในแนวองอันตรายจนถึงก็สร้างทุกในอบายเป็นต้นก็ไม่ถึงกับจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเป็นการราพผานเวลาของตนให้หมดไปสิ้นไปโดยหาสาระประโยชน์แกนสารอะไรไม่ได้ดังท่านผู้ปฏิบัติธรรมะจะมองเห็นลักษณะอย่างหนึง่ง ของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ทรงปกป้องคุ้มครองรักษาศาสนิกของพระองค์โดยการวางเป็นมาตรการในชั้นของศีลเพื่อให้พุทธศาสนิกได้ปิดกระแสของความกำหนัดความเพลิดเพลินความจิตใจอารมณ์ทั้งหลายโดยการบัญญัติศีลข้อที่6ที่7ที่8 จึงมีลักษณะสืบเนื่องกันมาแต่ละอย่างนั้นล้วนแล้วแต่เป็นการตัดกระแสของความกำหนัดจินตใจในอารมณ์ไม่ว่าการรับประทานอาหารในตอนเย็นการดูฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีดนตรีดิสีที่เป่าและดูการเล่นต่างๆการประดับประดาตกแต่งร่างกายการนั่งนอน <c oughs> เนือที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ภายในมีนุ่นในสมัยก็ตา่าง เพื่อจะเป็นการปิดกั้นกระแสของกิเลสกรมแม้มีกําลังมากขึ้นภายในใจและไม่ให้ใจของบุคคลมีความกําหนัดมีความเพลิดเพลินมีความยินดีอยู่ในสิ่งเหล่านั้นมากจนเกินไปถึงแม้จะมีการกําหนัดรักแท้ยินดีแต่ไม่ถึงก็ออกมาทางกายคือไปดูไปชมในสถานที่เหล่านั้น ในชั้นที่ประณีตขึ้นไปก็ทรงสอนให้บุคคลกำจัดเซนามานเหล่านี้ด้วยวิธีการของสมาธิหรือสมถกรรมฐานสอนให้สาสนิกได้ทำใจของตนให้สงบอยู่ในอารมณ์ที่เป็นกุศลหรือที่เป็นกลางๆเพื่ออะไรเพื่อดึงจิตจากความกำหนัดยินดีเหล่านั้น ลักษณะความกำลัดความยินดีที่บังเกิดขึ้นนั้นทุกครั้งที่มีการเหนียวนึกจะเป็นการเพิ่มปริมาณของความรู้สึกในสายนั้นในสูงขึ้นเป็นเหมือนอะไรเป็นเหมือนกับบุคคลเข้าไปในสถานที่ที่มีอากาศเป็นพิษทุกครั้งที่หายใจ จะเป็นการนําเอาสิ่งที่เป็นพิษเข้าไปสู่ร่างกายของตนถ้าหายใจเข้าไปบ่อยๆถึงจุดหนึ่งร่างกายก็จะทนทานไม่ได้จะแสดงอาการวิปริตออกมาทางกายหรือทางวิาจารณิจใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าปลอยเนียวนึกด้วยความกำหนัดความเพลิดเพลินความยินดีจะเริ่มต้นที่ใจก่อน แต่เมื่อใจเตรียมล้นไปด้วยความยินดีก็จะเปล่งออกมาทางวาจาบางครั้งก็คุมกิริยาอาการที่แสดงออกไม่ได้บางครั้งก็คุมได้และถ้าแรงขึ้นไปกว่านั้นก็จะออกมาทางกายถ้าหยุดไปไม่ได้ก็จะออกมาในรูปของกายทุจริตเป็นวิญ ท, ทุจริตไปจริงๆมีการเริ่มมาจากจุดเล็กๆแต่ก็มีกำลังมากขึ้น ถ้ามีการปรุงคิดมีการคิดปรุงมีการเหนียวนึกเรื่องนาดความใคร่ความปรารถนาความยิน ด, ดีในเรื่องเหล่านั้นแต่ในชั้นนี้ทรงสอนให้รู้ว่าสิ่งเนี้ยเป็นเสนาบของมานเป็นเรื่องที่น่ากลัวควรจะหลีกเลี่ยงควรจะถอยห่างควรจะดึงจิตออกจากมาอารมณ์มาจากอารมณ์เหล่านั้นแต่น้อยที่สุดก็ในขณะในขนดในขณะหนึง่งดึงก็มาอยู่ได้ อยู่ด้วยธรรมะได้มากเท่าไหร่ความสุขความสงบใจจากเสนมานก็จะเกิดขึ้นมากเท่านั้นต่อไปนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป